เรื่องเล่าผีหลอนตอนเหตุเกิดหลังเมนกับเนนสามรูเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่ชายคนหนึ่งได้ไปประสบพบเจอมาด้วยตัวเองโดยเจ้าของเรื่องนี้ได้เล่าว่าผมตัดสินใจบวชเมื่อประมาณสี่ปีที่แล้ว ส่วนตัวเป็นคนที่บอกกับเพื่อนๆมาตลอดว่าไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ความเชื่องมงายใดๆแต่สุดท้ายตัวเองก็ยังกลัวผีอยู่เลยครับจนทุกวันนี้เวลาจะนอนตอนกลางคืนต้องเปิดทีวีทิ้งไว้เพราะถ้าปิดทีวีจะนอนไม่หลับคิดโน่นคิดนี่เห็นเงาอะไรก็คิดว่าเป็นผีไปหมด แล้วยิ่งตอนที่บวชเหมือนครอบครัวเอาผมมาทิ้งที่วัดเพราะตอนบวชไม่เคยมีใครมาเยี่ยมเลยก่อนจะบวชนั้นว่าที่พระใหม่ก็ต้องไปนอนที่วัดไปเป็นเด็กวัดเพื่อเตรียมตัวกับการเป็นพระคุณแม่บอกแล้วบอกอีกให้ไปนอนผมก็ไม่ไปบอกว่าจะต้องนอนที่วัดก่อนสักประมาณห้าวัน แต่ผมก็นอนได้แค่วันเดียวครับเพราะมันไม่ไหวจริงๆยิ่งไปกว่านั้นคือผมเลือกนอนแค่วันก่อนจะบวชเท่านั้นแล้วก็เดินกลับบ้านในตอนเช้าซึ่งบ้านของผมอยู่ใกล้วัดการจัดงานและพิธีต่างๆผ่านพ้นไปด้วยดีผมได้เป็นพระเรียบร้อยได้กุฏิมาหนึ่งห้องและต้องจำวัดเพียงรูปเดียว อย่างไรก็ตามเหมือนมีความโชคร้ายในความโชคดีของผมด้วยความโชคดีก็คือพระอาจารย์สั่งให้น้องเนนมานอนเป็นเพื่อนพระใหม่หน้าใสากิ๊กอย่างผมทำเอาผมโล่งใจไปหนึ่งเปราะแต่ความโชคร้ายซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดก็คือ วันแรกที่ผมบวชนั้นเป็นวันเดียวกันกันกบงานศพที่จะจัดเป็นคืนสุดท้ายที่พีคขึ้นไปอีกก็คือกุฏิของผมอยู่ริมสุดมองออกจากหน้าต่างไปจะเจ้เอกับลงศพที่ตั้งเด่นอยู่ประดับด้วยไฟระยิบระยับแม้ไฟจะสว่างโรแต่มันก็บีบหัวใจของผมเหลือเกินครับท้องฟ้าเริ่มมืดเรื่อย ทุกอย่างที่เคยสว่างกลับมามืดลงอีกครั้งคืนนี้เป็นคืนวัดใจของพระใหม่อย่างผมจริงๆต้องขออธิบายก่อนนะครับผมได้นอนอยู่บนเตียงไม้แข็งๆซึ่งมีเครื่องนอนเป็นแค่หมอนที่ผ่านการนอนมาแล้วจากผู้คนเป็นจำนวนมากมันแบนยวบย่าบไปหมด กับผ้าห่มที่บางคนคิดว่าจะไม่สามารถให้ความอบอุ่นกับผมได้แต่สุดท้ายความเป็นพระในตัวก็ยังคิดว่านี่คือการฝึกบำเพ็ญเมื่อปฏิบัติกิจใดๆเสร็จสิ้นทุกอย่างจบผมได้เอนหลังลงเตียงไม้แข็งๆคืนนั้นเป็นคืนที่ร้อนมาก แต่ผมเป็นคนที่คิดว่าร้อนยังไงก็ต้องอดทนจะไม่เปิดหน้าต่างเป็นอันขาดเพราะไม่ฉะนั้นสมองของผมจะคิดถึงเรื่องนั่นเรื่องนี้จนนอนไม่หลับแ น, แน่อธิบายลักษณะของที่นอนก่อนนะครับที่นอนของผมเป็นห้องสี่เหลี่ยมแคบๆที่มีเตียงไม้ที่โยกเยกสูงเกือบถึงระดับหน้าต่างซึ่งมันผิดปกติ ถ้านอนลงแล้วทอดตามองเฉียงออกไปด้านนอกหน้าต่างจะเห็นกับห้องน้ำพระที่ใช้สงน้ำของพระทุกรูปถ้านั่งขึ้นแล้วมองออกไปทางหน้าต่างตรงๆจะเห็นโลงศพอย่างว่าพอดีหลวงพี่ครับเปิดหน้าต่างได้ไหมผมร้อนเสียงนรกที่เน้นทรงเข้าโสดประศาสตร์ของผมในตอนนั้นบอกเลยว่า ทำให้ใจเต้นรัวมากๆเอาไงดีวะสุดท้ายก็ต้องเปิดผมตัดสินใจเปิดหน้าต่างแต่ในใจอยากตบหัวเนนสักทีอยากจะบอกว่าไอ้น้องเนนหลวงพี่กลัวผีแต่ก็กลัวเสียฟอร์มเลยเปิดหน้าต่างแต่เอาผ้าห่มมาปิดตาปิดปากเหลือไว้แค่จมูกแล้วก็หลับไปแบบนั้น ผมจำได้ว่าตอนนั้นสะดุ้งตื่นมาตอนตีหนึ่งได้เพราะแสงไฟจากโทรศัพท์มันส่องขึ้นมาผมเลยลืมตาดูแต่เท่านั้นยังไม่พอผมยังสอดสายสายตาไปที่ห้องน้ำซึ่งห้องน้ำมีทั้งหมดสี่ห้องห้องที่หนึ่งถึงห้องที่สามปิดประตูสนิทเรียกได้ว่าไม่มีอะไรแต่ห้องที่สี่นี่สิครับ ขอบอกก่อนนะครับว่าผมไม่คิดว่ามันคือผีแต่สิ่งที่เห็นตรงนั้นมันอารมณ์ประมาณว่าเหมือนมีคนแบบอบยู่หลังประตูห้องน้ำผมรู้สึกว่าคือผู้หญิงตัวดำๆคือมองก็คิดเลยว่าเป็นคนยืนมองเราอยู่ตัวไม่สูงมากเตี้ยกว่าประตูห้องน้ำประมาณหนึ่ง เป็นเงาทำมืนสีดำเข้มๆที่เซียวตัวหนึ่งนั้นแอ บ, บอยู่หลังประตูห้องน้ำหรือผมคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะจุดนั้นแสงสว่างจากข้างนอกส่องไปไม่ถึงวินาทีนั้นทำเอาพระใหม่อย่างผมอยู่ไม่เป็นสุขทำอะไรไม่เป็นนอกจากเอาแขนขาของตัวเองซุกเข้าไปในผ้าห่มทั้งหมดแล้วหลับ ตาหายใจเข้าออกลึกๆท่องนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะวนเวียนอยู่แบบนี้หลายรอบมากหัวใจของผมเต้นเหมือนจะหลุดออกมาจากอกเต้นแรงจนผมเหนื่อยมากๆคิดว่าไม่เอาแล้วตอนนั้นไม่รู้ว่ามันใช่ผีหรือไม่ใช่ผีแต่น้ำตานี่ไหลแล้ว มันจังจงมากมากจนเรารู้สึกแบบนอนตรงนี้ไม่ได้แล้วคิดว่าตัวเองนอนสั่นอยู่สักพักก่อนจะหลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่ผมอ่อนแรงมากที่สุดเพราะในหัวคิดแต่เรื่องของสิ่งที่เจอเมื่อคืนนั้นลังเลอยู่ว่าจะเอาเรื่องนี้ไปคุยกับพระพี่เลี้ยงดีหรือเปล่า จะพูดไปก็จะหาว่าเป็นพระอะไรกลัวผีแต่ถ้าพูดถึงความเชื่อเดิมของคนแถวบ้านเขาบอกว่าพระใหม่จะเจออะไรแบบนี้เป็นปกติเพราะพระใหม่จะเนื้อหอมผีจะมาขอส่วนบุญเช้าวันนี้ผมออกบินทบาตตามปกติผมเดินบินทบาตมาถึงบ้านโยมพ่อและโยมแม่ หลังจากที่ทะเลาะกันมาเกือบสิบปีพวกท่านก็มาตักบาดพระลูกพร้อมกันเป็นครั้งแรกในชีวิตทำเอาน้ำตาพระใหม่หล่นแมะลงบนฝาบาทอย่างไม่รู้ตัวหลังจากนั้นพ่อของผมก้มลงกราบเท้าผมและเอาหัวของพ่อมาแตะที่เท้าผมอย่างไม่สนใจว่าผมเป็นลูกผมน้ำตาซึม ไม่ได้พูดอะไรกับที่บ้านได้แต่สวดมนต์ให้พรพ่อก่อนจะเดินจากไปทุกครั้งที่ผมเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ผมมักจะเล่าให้พ่อฟังเสมอและพ่อจะบอกว่าให้เราทำบุญให้เขาอุทิศส่วนกุศลให้เขาแต่ครั้งนี้ผมเป็นพระพระที่แสดงให้เห็นว่า เราพร้อมที่จะครองเรือนแล้วหลังจากศึกไปไม่อยากเอาความกลัวของเราเล่าสู่ให้พ่อฟังกลัวท่านเป็นห่วงสิ่งที่เจอคืนที่ผ่านมานั้นผมไม่ทราบว่าใครจะทราบบ้างแต่พระใหม่ในวัดที่บวชพร้อมกันก็จะโดนพระที่บวชมาก่อนแซวว่าเป็นไงหลวงพี่เมื่อคืนเจอของดีหรือเปล่า เป็นการหยอกล้อ ก, กันปกติของพระท่านพระอาจารย์อีกรูปที่ผมนับถือมากๆเดินเข้ามาหาผมที่ชั้นเช้าอยู่แล้วถามผมว่าเป็นไงหลวงพี่เมื่อคืนหลับสบายดีนะผมจึงมุสาตอบท่านไปว่าสบายดีครับหลวงลุง แต่ในใจนั้นอยากจะขอเป็นนอนกับท่านที่ห้องเสียเหลือเกินแต่สุดท้ายได้แต่เก็บไว้วันนี้ขึ้นพิจารณาบางสุกุลศพที่จะเผาด้วยนะหลวงลุงพูดกับผมอย่างเบาๆผมก็ตอบกลับไปว่าครับครับพร้อมกับคิดว่า พระเพิ่งบวชได้ยังไม่ครบ24สชั่วโมงอย่างเรานี่จะได้ขึ้นพิจารณาผ้าบางสุกุลแล้วหรือโอเคได้ผมชั้นเช้าเสร็จก็เลยกลับไปท่องบทพิจารณาบางสุกุลกลัวไปทำเด๋อเดอดาดาบนเมนเดี๋ยวคนตายจะไม่ได้บุญเพราะเราเอาเสียก่อน ผมกลับมานั่งท่องบทอนิจจาวัตสังขาราจนท่องได้ขึ้นใจแล้วพอตกบ่ายใกล้เวลาเผาศพพระทุกรูป ก, ก็เดินไปที่สาลาใกล้เมนเตรียมตัวขึ้นวางดอกไม้จันทุกอย่างผ่านไปอย่างเป็นปกติไม่มีอะไรความเดิมยังไม่หายความใหม่เข้ามาแทรกทันที เหมือนน้องเนนอีกสองรูปรวมกันเป็นสามรูปมาขอนอนด้วยเพราะอยากดูทีวีเลยมานอนรวมกันทั้งหมดผมก็ตอบตกลงก็ดีเหมือนกันครับนอนกันเยอะๆจะได้สนุกไม่กลัวผีที่สำคัญตอนเช้าจะได้มีคนช่วยคลองผ้าไปบินทบาทด้วยพระอาทิตย์ค่อยๆลับขอบฟ้าไปเรื่อยๆ ผมออกมานั่งดื่มนมกับเนนที่ศาลาหน้ากุฏิเนนน้อยทั้งหลายที่เป็นรุ่นน้องผมสมัยเรียนมอปลายก็ชอบเล่าเรื่องผีที่ตัวเองไปล่ากันมาคือเล่ากันอย่างสนุกปากจนผมไม่อยากฟังในวินาทีนั้นผมเลยขอตัวเข้าไปนั่งเล่นในกุฏิโดยปิดหน้าต่างทั้งหมด แม้เวลานี้ยังไม่ดึกเท่าไร่เพียงแค่ความมืดดำของท้องฟ้าเข้าปกคลุมก็สร้างบรรยากาศวังเวงขึ้นมาเยือนอย่างช้าๆเนนวิ่งเข้าห้องอย่างสนุกโดยไม่สนความสำรวมเหมือนหลวงตาไล่ให้ไปนอนผมมองเวลาตอนนี้ก็ป้าเข้าไปสามทุ่มแล้วศาลาหลังเดิมที่เคยมีโลงศพตั้งอยู่ ถูกปิดลงอย่างน่ากลัวแสงไฟที่เคยเปิดไว้ตอนรับแขกที่มางานกลับถูกปิดลงประตูศาลาธรรมสังเวชสีดำสองบานใหญ่ถูกปิดใส่กุญแจล็อกสนิทแม้จะตั้งอยู่นิ่งๆก็ยังชวนให้จินตนาการถึงความน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกน้องเนนเข้ามานอนข้างๆเตียงเป็นที่เรียบร้อยเด็กๆก็ดูทีวีกันอย่างสนุก คุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ปกติผมนั่งอ่านหนังสือสวดมนต์แม้จะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างไปยังท่องอยู่แบบนั้นอ่านไปอ่านมาเวลาก็ปลาเข้าไปเกือบจะสี่ทุ่มแล้วตามประสาวัดที่ต่างจังหวัดสองทุ่มก็มืดสนิทปิดไฟจํำวัดกันหมดแล้วแต่วันนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไง จูจูเด็กๆก็ชวนหาเรื่องปวดหัวอีกหลวงพี่ไปหลังเมนกันความซวยมาเยือนผ่านโสดประสาททุกทางเด็กๆชวนหาเรื่องไปดูหลังเมนเพราะวันนี้เป็นวันเผาศพไปบอกว่าจะไปล่าท้าผีผมก็ตอบแบบกึ่งรับกึ่งสู้ว่าไม่ไปอ่ะเนนไปกันเลยเนนก็พยายามโน้มน้าวสุดๆ แต่ผมก็มาแพ้ตรงประโยคนี้ครับเนนพูดว่าหลวงพี่ถ้าไม่ไปอยู่นี่คนเดียวผีหลอกนะครับผมเลยตอบเสียงเบาๆเพราะแพ้คำว่าผีหลอกที่สุดเออๆอไปก็ไปผมกับเนนรวมสีรูปเดินกันไปโดยมีแสงไฟจากโทรศัพท์นำทางไปอย่างช้าๆ จุดที่ผมเดินออกจากประตูกุติใหญ่แล้วเดินไปเมนจะเป็นทางตรงเลยครับเมื่อเดินไปแล้วจนถึงศาลาธรรมสังเวทถ้าหันไปทางขวามือจะเป็นเมนและผมได้เดินเลยไปจนหลังเมนผมกับเนนทั้งหมดเดินไปอย่างช้าๆจนผมหันไปมองหลังเมนแบบใจเต้นแรงกว่าจังหวะรำวง เมื่อผมพาเนนไปถึงหลังเมนเพื่อมองหาผีตามอุดมการของเนนแล้วผมมองไม่เห็นอะไรแต่เห็นแค่หมากำลังกินข้าวที่เขาเอามาให้คนตายก็เท่านั้นเสียงเจียวจ้าวจบลงเมื่อผมบอกเนนว่าอา้าวเห็นแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วนะกลับกันเถอะผมเดินนำหน้าเนนทั้งหมดกลับกุฏิเหมือนเดิม ตอนเดินมานั้นเนนทั้งหมดพูดคุยกันสนุกปากเรื่องสพเพเฮระแต่ขากลับมีความผิดปกติอย่างหนึ่งคือเนนทั้งหมดไม่พูดอะไรเลยแต่ผมยืนยันก่อนนะครับว่าผมไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรทั้งนั้นจริงๆนอกจากหมากับชามข้าวนั้นผมมาถึงกุฏิแล้วขึ้นนอนตามปกติ ความกลัวเข้าครอบงำอีกครั้งรอบนี้ผมมั่นใจว่าผมจะไม่มาตื่นเอาตอนกลางดึกอีกเด็ดขาดและแล้วก็เป็นเช่นนั้นครับผมกับน้องเนนทั้งหมดแยกย้ายกันนอนตามปกติแต่ความไม่ปกติก็เริ่มเกิดขึ้นเอาตอนดึกดึกหลังจากที่ทีทวีปิดตัวลงไปเองเพราะไม่มีความเคลื่อนไหวทุกอย่างมืดสนิท มีแต่แสงไฟจากข้างนอกที่ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาความไม่ปกติของคืนนี้คือผมรู้สึกได้ว่าข้างๆเตียงของผมเริ่มไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วความรู้สึกก็คือเหมือนมีคนมากระแทกที่ขอบเตียงบ่อยๆใช่ครับผมนอนไปได้พักหนึ่งเลยตัดสินใจหันไปมองที่ข้างเตียง ก็พบว่าเหมือนเนนยังไม่นอนขยับตัวไปมาซ้ายขวาบ่อยจนผมรู้สึกได้เพราะหัวเข่าโดนเตียงอยู่ตลอดผมเลยถามน้องเนนว่าเป็นอะไรนอนไม่หลับหรือเนอนพยักหน้างึกๆึกผมถามต่อไปว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้ก็ยังดีๆอยู่ เนนใสหัวผมถามอะไรไปก็ใสหัวเลยนอนต่อไปไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าเดี๋ยวอดทนเอาแต่มันทนไม่ไหวจริงๆครับพยายามนอนแล้วแต่ทนเสียงรำคาญจากเตียงมันไม่ไหวจริงๆเลยถามเนอนอีกว่าเนนเป็นไรหรือเปล่าทำไมเจอผีหรือผมก็ถามเล่นๆไปแบบนั้น ผมจับไตเนนได้ก็เลยเข้นหาคำตอบเนนเจอผีหรือฮะเจอผีหรือในขณะที่เนนอีกสองรูปตื่นขึ้นมาเพราะเสียงของผมสุดท้ายผมเห็นว่าอาการของเนนเริ่มไม่ดีแล้วผมเลยบอกเนนไปด้วยความเป็นห่วงว่าหลวงพี่ว่าไปหาหลวงตาดีกว่า เพราะตอนนี้รู้สึกว่าเนนอาการหายใจถี่ขึ้นเริ่มเกิดขึ้นอีกครั้งเนนมีอาการฟึดฟัดไม่ยอมไปแต่สุดท้ายผมก็พยายามโน้มน้าวเนนทุกคนให้ไปหาหลวงตาจนได้หลวงตาเดินจงกลมอยู่ในกุฏิส่วนตัวผมพาน้องเนนเดินไปพอดีขนาดเดินข้ามกุฏิผมยังระแวงหน้าระแวงหลังอยู่เลยครับ เห็นไฟที่กุติหลวงตาเปิดอยู่เลยขออนุญาตแล้วผลักประตูเข้าไปหลวงตาพูดขึ้นมาว่าพากันไปเล่นอะไรมาทำไมเป็นแบบนี้หลวงตาพูดเหมือนเห็นอะไรบางอย่างตอนนั้นผมตั้งใจจะโกหกท่านว่าไม่ได้ไปทำอะไรหลวงตาพูดสวนขึ้นมาว่าอย่าบอกนะว่าไม่ได้ทาอะไร เห็นว่าเดินไปหลังเมนเดินไปกันทำไมนั่นเป็นที่เล่นหรือหลวงตาเค้นน้ำเสียงผมกลัวมากในตอนนั้นเพิ่งจะบวชใหม่จะมาถูกจับศึกเพราะไปเล่นกับเนนก็จะเสียท่าอายที่บ้านตอนกลับแน่แนหลวงตาบอกให้เอาเนนรูปที่นอนไม่หลับไว้ที่นี่ที่เหลือให้กลับไปนอนผมตอบตกลง แล้วเนนก็ลงไปเอาผ้าห่มกับหมอนในกุฏิหลวงตามานอนที่หน้าพระประธานตอนเช้าวันรุ่งขึ้นผมกับน้องเนนเดินไปบินธบาตกันตามปกติเช่นทุกวันแต่ความไม่ปกติเช่นเคยก็คือเนนองที่มีอาการผิดปกติเมื่อคืนไม่ได้ออกมาบินธบาตด้วยแต่ไม่ได้สงสัยอะไรน้องคงป่วยตื่นไม่ไหว พระทั้งหมดขึ้นไปฉันเช้ากันตามปกติผมนั่งใกล้หลวงตาที่เป็นเจ้าอาวาสแล้วหลวงตาก็หันไปบอกพระพี่เลี้ยงผมว่าให้ดูแลผมดีๆหน่อยจะเสียเอาเพราะเนนนี่แหละแล้วหลวงตาก็บอกว่าเมื่อเช้าพ่อน้องเนนเพิ่งเข้ามารับไปอนามัยไปหาหมอบอกว่าหอบกำเริบ ผมตกใจมากคิดว่าน้องเนนเป็นอะไรมากกว่านั้นแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปอีกครั้งเวลาผ่านไปไม่นานพ่อของน้องเนนก็ขับรถมาส่งที่วัดพร้อมน้ำและยาครบเซตพ่อน้องเนนเดินมาหาพร้อมยกมือไหว้และพูดว่าหลวงพี่พ่อขอนะครับอย่าพาน้องไปทำอะไรแบบนี้อีก น้องเป็นโรคหอบกลัวอาการจะหนักกว่านี้ผมยืนงงๆหน่อยหนึ่งก็ตอบไปว่าครับโยมพ่ออาตมาขอโทษนะเราขอโทษคุณพ่อที่พาเด็กๆไปลองของเมื่อคืนหลังจากที่เนนกลับมาที่กุฏิผมถามน้องเนนว่าน้องเนนหลวงพี่ถามจริงๆนะตอบหลวงพี่ตรงๆ ว่าเมื่อคือนน้องเนนเห็นอะไรแล้วเนนก็ตอบกลับมาว่าหลวงพี่ถ้าผมพูดไปหลวงพี่ก็คงไม่เชื่ออยู่ดีผมก็ตอบว่าพูดมาจะฟังแล้วเนนก็เล่าว่าหลวงพี่ที่ผมเห็นเมื่อคือนน่ะเป็นผู้หญิงตัวดำๆกำลังกินข้าวที่เขาเอามาวางอยู่พอเราหยุดกันเขาก็เงยหน้าขึ้นมามอง หลวงพี่ไม่เห็นหรือไงไปด้วยกันนะ่ะผมก็รีบสวนไปทันทีว่าบ้าเมื่อคืนหลวงพี่เห็นหมากําลังกินข้าวอยู่จากนั้นเนนก็พูดก่อนเดินออกไปจากศาลาว่าก็แล้วแต่หลวงพี่เถอะตอนนั้นผมขนลุกขึ้นมาทันทีลักษณะที่เนนพูดตอนนั้นกับสิ่งที่ผมเห็นในคืนแรกผมคิดว่ามันคล้ายกันอยู่นะ น่าจะเป็นคนเดียวกันที่เห็นและเป็นคนเดียวกันกับที่ผมขึ้นไปพิจารณาผ้าบางสุกุลบนเมนเมื่อวานนี้ผมแค่คิดว่าน่าจะเป็นคนคนเดียวกันแต่ไม่ได้ตัดสินว่าใช่หรือไม่ใช่แต่เรื่องราวทั้งหมดแม้เป็นการบวชเพียงไม่กี่วันของผมก็เจอเหตุการณ์แบบนี้แล้ว ความรู้สึกว่าผมไม่เชื่อเรื่องผีแต่กลัวผีมันอาจจะดูย้อนแย้งมากๆแต่ว่าทุกอย่างมันล้วนเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายผมบวชที่วัดนั้นได้27วันครับเป็น27วันที่เต็มไปด้วยข้อคิดที่มีผลกับชีวิตของผมมาจนถึงทุกวันนี้ อย่างไรก็ตามแม้ว่ายังไม่มีใครตัดสินว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตอนบวชนั้นจะเป็นยังไงแต่ผมตัดสินไปแล้วว่าเป็นวิญญาณมาขอส่วนบุญตอนบวชเวลากรวดน้ำผมก็จะนึกถึงพ่อแม่เจ้ากรรมนายเวรและวิญญาณทุกดวงเสมอและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับ